เราก็ได้สวดมนต์บทอริส ง, งการเจริญเมตตาบทนี้สามารถมาใช้กับชีวิตประจาวันเราได้เพราะเดี๋ยวนี้คนเราทะเลาะกันหรือมีเรื่องบาดหมางกันส่วนมากก็มาจากการเชื่อความเห็นของตนถูกต้องคือเอาผิดเอาถูกแล้วก็มองอีกฝ่ายหนึ่งไม่ถูกคือขาดเมตตาแต่ถ้าเรามีเมตตาปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่เอาผิดไม่เอาถูกทุกเรื่องจะผ่านหมดใครอยากว่าไงก็ว่าไป อย่างเมื่อวานก่อนอารมาเปิดเฟซบุ๊กเจอข้อความอยู่ข้อหนึ่งเป็นบทารามของของจื๊อในเนื้อเรื่องก็มีลูกศิษย์ของขงจื๊อชื่อเอี่ยนหุยกำลังทะเลาะกับพ่อค้าขายผ้าเรื่องการคูณเลขแปดคูณสามเอียนหุยบอกยี่บสี่พ่อพ่อค้าขายผ้าบอกยี่บสาม เถียงกัต้องนานตกลงกันไม่ได้อีกคนบอกย3ิบสามีคนบอกย4ิบสี่จึงเดินทางไปหาของจื้อและให้ของจื้อตัดสินเย่นหุยไปถึงก็บอกว่าอาจารย์8กูณสามเท่ากับย4ิบสี่ถ้าไม่ได้เป็นไปตามนี้หรือไม่ถูกต้องเนี่ยข้าพระเจ้าจะถอดยศตัวเองแล้วถอดหมวกออก แต่ถ้าเกิดเป็น24เนี่ยพ่อค้าตรงจะต้องโดนตัดหัวคงชือก็มองหน้าทั้งสองคนแล้วก็เริ่มตัดสินคงชื้อตัดสินว่า8คูณ3เท่ากับ23เย็นหุยโกรธมากที่อาจารย์ตนเองดีเลอะเรือนแล้วแก่แล้วเลอะเลือนตัดสินไม่ได้ไงว่า23มันต้อง24จึงถอดหมวกออกแล้วเดินจากไปพอมาตอนหลัง ก็มาหาคงจื้ออีกถามว่าอาจารย์ทำไปตัดสินแบบนี้อาจารย์คงจื้อก็ตอบว่าถ้าข้าเนี่ยตัดสินให้เป็นแปดคูณสามเท่าก็ยิบสี่พ่อค้าจะสู้ตัดหัวใช่ไหมยนั้นข้า ย, ยอมเสียเกียรติดีกว่าให้คนอื่นเสียชีวิตคือถ้ายอมยุดยืนละยอมยุตยุนเพราเกียรติเปนสํมคัญหลอกรักษาชีวิตคนสำคัญกว่า ยอบเสียเกียรติะเป็นครูบาอาจารย์ที่คนนับถือมากแล้วก็มีมีเรื่องเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จโตสมเด็จโตในที่นีพวกเราทุกคนเคยได้ยินะสมเด็จโตวัดละขังก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านมากมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเดินกลับมาที่วัดบริเวณแถววัดของท่านเนี่ยจะมีจะมีแบบพวกรับรับราชการอยู่เยอะนะ แล้วก็จะมีค่าธาตุบริวารมากสมัยนั้นยุครอศัยยังไม่เลิกธาตุก็มีบ่าวธาตุของเจ้าพระยาอยู่ท่านหนึ่งวันนั้นเมาเล่าอย่างหนักเลยพอเห็นสมเด็จโตเดินผ่านมาก็อยากลองของไปถือก็ตะโกนตะโกนด่าเลยบอกนี่หรือขัวโตที่เขารือว่าแดงหนาว่าแล้วก็เดินชกชกหมัดใส่สมเด็จโต แต่สมเด็จโตหลบได้หรือถ้ายิ้มแย้มไม่โกรธถ้าเขาบอกว่าเจ้าอาจงรีบหนีไปเลยเดี๋ยวคนเห็นเข้าจะนำฟ้าไปบอกนายของเจ้าเจ้าจะโดนลงโทษนะแต่เวรกรรมมีจริงก็มีมีคนนำไปเล่าให้เจ้านายฟังจนได้บ่าวคนนี้ก็เลยถูกเจ้าพยาเนี่ยจับมาล่ามโซ่ตากแดดตากล้ำค้างให้อดอาหารเจ้าพยา ก็นำดอกไม้ทุบเทียนมาขอเข้ามาสมเด็จโตสมเด็จโตทราบความก็เกิดสงสารบ่าวคนนี้ท่านก็เลยนาเงินและนําอาหารเดินทางไปหาที่บ้านเห็นบ่าวคนนี้กําลังโดนลามโซอยู่ได้รับทุกขเวทนามากสมเด็จโตเข้าไปพูดปลอบใจอาโหสิกรรมไม่ไม่ไม่เอาเรื่องให้สบายใจได้แล้วก็ให้ทานอาหารที่นํามาแล้วให้เงิน หสลึงสัยก่อนหนึ่งสลึงก็ถือเงินมากนะปอบฝันเจ้าพยารู้ว่าสมเด็จโตมาแล้วไม่เอาเรื่องโหติกรรมให้ก็เลยปล่อยนักโทษคนนี้ตอนหลังบ่าวคนนี้ก็กลับตัวกลับใจเลิกดื่มเหล้าเด็ดขาดเลยแล้วก็มาช่วยงานวัดระฆังอยู่เสมอตลอดชีวิตอันนี้กลับตัวกลับใจได้เลิกเหล้าได้เพราะเมตตาของสมเด็จโตอันการจเจริญเมตตาเนี่ยมียที่สูงมากช่วยคนอื่นได้ ที่มาฟังเรื่องราวของนิทานเซนบ้างก็จะมีเรื่องทํานองนี้คล้ายกันเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนมีชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอา ก, กิมีชีวิตที่ค่อนข้างจะเหลวไหลคือมีชีวิตที่ค่อนข้างจะตามใจตัวเองวันวันหนึ่งไม่ได้ทํางานทําการอะไรเอาเดี่เที่ยวแต่เล่นมักลุกงานกายก็ไม่ได้ทําคือใช้ชีวิตอย่างไรคุณค่าจนถึงที่สุดเนี่ยก็เริ่มเบื่อหน่ายชีวิตตัวเองอยากหาทางหลุดพ้น จึงเดินทางไปยังวัดเซนวัดหนึ่งใครไม่ถึงค้าาประกาศเจ้าวาดแล้วบอกว่าข้าเบื่อชีวิตเหลือเกินอยากจะปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นอาจารย์มีวิธีให้ข้าพเจ้าเนี่ยหลุดพ้นเร็วๆไหมเพราะข้าพเจ้าไม่มีสมาธิที่จะนั่งปฏิบัติธรรมนานๆรือยลดละกิเลสที่ตัวเองติดคือมีภาวะทนน้อยอะอาจารย์มีวิธีใดที่สั้นที่สุด พเป็นอางั้นข้าพเจ้าก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตเหลวแหลกตามเดิมอาจารย์มองหน้ า, ากิ๊กแล้วก็บอกว่าในชีวิตของเจ้าเนี่ยเจ้าชอบอะไรมากที่สุดอากิกบอกว่าชอบหมักลุกเพราะในชีวิตเนี่ยชอบเล่นหมากรุกไปชีวิตจิตใจมีความผูกพันกับหมักลุกมากอาจารย์ก็ใช้ความคิดสักครู่หนึ่งแล้วก็บอกให้คนไปตามพระอีกรูปหนึ่งมาแล้วบอกให้นํากระดาษหมักลุกและตัวบักลุกมาด้วยสักพักหนึ่ง ก็มีพระหนุ่มคนนึงถือกระดาษและตัวบปล่ลูกมาอาจารย์ก็บอกพระหนุ่มว่าเจ้าเคยสัญญาข้าไว้ในฐานะข้าเป็นอาจารย์ว่าจะบีบบัิตามคาสั่งของข้าข้าสั่งให้ทำอะไรเจ้าก็จะทำวันนี้ข้ายโทกสัญญาจากเจ้าแล้วเจ้าจงเล่นบปล่ลูกกับชายหนุ่มผู้นี้โดยมีชีวิตไปเดิมพันถ้าเจ้าเล่นแพ้ข้ายตัดคอเจ้าแต่ข้ารับรองว่าเจ้าจะไปสวรรค์แน่นอน ส่วนชายหนุ่มผู้นี้ชอบหมากรุกเป็นชีวิตจิตใจถ้าเล่นแพ้ค่าก็จะตัดคอชายผู้นี้เหมือนกันอกิกับพระหนุ่มมองหน้ากันเพราะนึกไปถึงว่าอาจารย์จะพูดแบบนี้และอาจารย์ก็ให้ลูกศิษย์ถือดาบมาและเปลือย ด, ดาบด้วยพร้อมจะตัดค อ, อสองคนทั้งสองยอมตกลงเล่นเล่ได้ความกดดันนะเพราะว่าหมากลุกเนี่ยตอนนี้คือชีวิตของทั้งคู่ อาจารย์หน้าตาขึงขังเอาจริงเอาจังมากคงตัดขอแนะถ้าเล่นแพะบารุกจีนเนี่ยในที่นี้อัฒมาคิดว่าจะไม่น่ามีใครเล่นเป็นนะเพราะว่าจต่อัฒมาจะพูดถึงบาลุกจีนนิดหน่อยตัวบารุกจีนเนี่ยก็จะมีบีม้ามีสือมีเผ่ามีคือคือคือเรือแล้วก็มีจุกคือเบี้ยแล้วก็มีคือว่าบารุกจีนจะไม่เหมือนารุกไทยคือจะมีวงเดิน มานี่ก็อาจจะโดนขัดขาได้คือมีการขัดขากันซึ่งไม่เหมือนมาลุกไายที่เดินอิสระเดินไปไหนก็ได้ไม่มีการขัดขาให้มาลุกจีนจึงเดินยากกว่ามีเงื่อนไขมีอะไรเยอะอยู่ทั้งคู่ก็เริ่มเดินเดินไปตอนแรกอา ก, กิอากิ ก, ก็ทำท่าเพียงพำมโดนบีบจะเดินไม่ถนัดถูกกดดันอย่างมากเพอพะพระหนุ่มนั่นก็เดินมาลุกเก่งแต่อสายประสบการณ์ก็ค่อยก็ค่อยจากตั้งรับ กลายเป็นเข้อยตีโต้ขายสถานการณ์ออกแล้วก็เป็นฝ่ายบุกกระนำพระหนุ่มมัง่ง อ, อ, อักกิ๊กมีสิทธิ์ชนะพระหนุม่มได้เพราะว่าอีกฝ่ายนึ่งทาท่าสู้ไปได้แล้วแต่เมื่อมองหน้าของพระหนุม่มเห็นแววตาที่ใสซื่อบริสุทธิ์หน้าตาเปลี่ยมมาด้วยคุณธรรมจึงมีความคิดว่าเอ๊ะชีวิตเราก็ไร้ค่าไร้าสาระเราควรตายให้พระหนุ่มมีชีวิต อ, อยู่ดีกว่าจึงออมือไม่ยอมนชนะอีก พระหนุ่มก็เป็นฝ่ายพลิพกสถานการณ์ขึ้นมาอีกแล้วบีบไล่ต้อนกดดันจนอากิกเนี่ยทำท่าจะแพ้แหละไม่แพ้แหละแต่พระหนุ่มก็เกิดสวาสงสารเห็นใจว่าถ้าเกิดอากิกตายไปก็ไม่ดีเป็นเพราะเราเป็นเหตุนั้นเราขอสละชีวิตเองดีกว่าทั้งคู่จึงผัดกระลุกผัดกระ ล, ลับแต่ไม่มีใครแพ้เลยเพราะว่าทั้งคู่มีคุณธรรมไม่อยากอีกฝ่ายถึงตายอาจารย์เซนกม้มชะโงกหน้ามาดูที่กระดาน แล้วก็ผักกระดานบอกลูกทิ้งเลยแล้วบอกกระดานนี้ไม่มีการตัดสินเสมอกันไปแล้วก็ไม่มีใครตายอาจารย์เซนจึงบอกอากิคิว่าใช้ได้เจ้ามีคุณธรรมที่เราต้องการคุณธรรมก็คือการมีเมตตาไม่สนใจเรื่องการแพ้ชนะเพราะการแพ้ชนะเป็นเรื่องการเหตุกะตัวแล้วคุณธรรมตัวนี้แหละจะทําให้เจ้าสามารถบรรลุธรรมได้เพราะเป็นสิ่งที่ทําได้ยากฉนั้นรับรองว่าเจ้าจะไม่ผิดหวังเรารับเจ้าเป็นศิษย์ เรื่องนี้ก็จบลงได้ดีคือคุณธรรมเนี่ยเหนือการแพ้ชนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคล้ายๆกันเหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเหมือนกันมีแม่ทัพคนหนึง่งกําลังนําทัพไปออกลบระหว่างที่เดินทัพไปจะไปหาค่าสึกนั้นก็ผ่านบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้ได้ติดป้ายไว้หน้าบ้านว่าหมักลุกเก่งที่สุดในแผ่นดินแม่ทัพไปเสียนบักลุกคนหนึ่งเห็นเข้า ก็มีความสุขอยากลองอ่ะอยากลองฝีงมือเจ้าของบ้านว่าเก่งแค่ไหนจึงหยุดทับแล้วก็เดินเข้าไปหาที่บ้านแล้วขอเล่นมาลุกกับเจ้าของบ้านแล้วก็นํากระดานมาลุกมาเล่นกันผลปรากฏว่าแม่ทับเอาชนะได้สามกระดานรวดเลยเจ้าของบ้านสู้ไม่ได้เลยแม่ทับก็ปลื้มใจมากบอกว่าเจ้าน่าปวดป้ายลงได้แล้วมีฝีมือแค่เดียวที่ยว อ, อวดประกาศว่าเป็นหมกลุกที่หนึ่งในแผ่นดินได้ไง แล้วก็จากไปอย่างมีความสุขแล้วแม่ทัพก็สามารถลบชนะด้วยชนะคาศึกได้ก็เดินกลับเครื่องทัพกลับมาทางเก่าก็เห็นบ้านหลังนี้ติดป้ายบากรุกที่หนึ่งในแผ่นนี้อีกแม่ทัพก็รู้สึกหมั่นไส้มากบอกให้ปลดป้ายลงแล้วเอาติดอีกทําไมจึงเดินเข้าไปหาแล้วขอเล่นใหม่บอกคราวนี้ถ้าแพ้เจ้าต้องปลดป้ายลงจริงนะทาแบบนี้ไม่ได้ไ ม, ไ, มไม่ละไม่ละอายใจเลยไม่ได้เก่งทั้หน่อยทั้งสองตกลงเดินกันใหม่ผลปรากฏว่าครั้งนี้ แม่ทัพแพ้สามกระดานรวดแบบสู้ไม่ได้เลยแม่ทัพสงสัยมากว่าเอ๊ะทําไมครั้งก่อนเน่ยท่านถึงแพ้เราสามกระดานรวดเพราะเหตุใดเสียนบกลุกจึงพูดขึ้นมาว่าครั้งก่อนเน่ะท่านนําทัพไปทําสืกถ้าข่าชนะท่านชนะท่านเนี่ยท่านจะหมดกำลังใจจะหมดความพึกเขิมอาจจะลบแพ้ได้ดงนั้นข้าพเจ้าจึงออกมือให้ท่านยอมแพ้ยอมแพ้แล้วท่านก็มีความพึกเขิลไปลบชนะได้ ตอนนี้ลบชนะกลับมาแล้วข้าพเจ้าไม่มีความจจเป็นต้องออมือให้เพราะว่าเกียรติต้องการแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญแม่ทัาฟังแล้วทราบซึ้งใจมากจึิงเข้าใจว่าคุณธรรมเหนือการแพ้ชนะคนที่เก่งสามารถยืดหยุ่นได้คอยตามสถานการณ์ได้ไม่จำเป็นต้องแข็งตลอดมีหลายคนอวดเก่งอวดเก่งแล้วก็เอาตัวไม่รอดก็เยอะแยะที่เราเห็นนะ วดเก่งแล้วทำไม่ได้ไม่คอยตามสถานการณ์คือบางคนก็มีความรู้ท่วมหัวก็ตัวไม่รอดซึ่งผิดกับพวกที่คมในฝักเรื่องนี้มีมากเป็นประสบาการณ์ไปบทเรียนของทุกคนความเก่งความสามารถสามารถนำมาใช้ได้แต่บางครั้งไม่ถึงเวลาใช้เราก็ไม่ควรใช้ใช้พัาเพื่อก็ไร้ค่า แต่ถ้าใช้ถูกที่ถูกการณเทศะาถูกเวลามันจะมีคุณค่ามากคนเราจะมีความสามารถไม่เหมือนกันฟวามเก่งก็ไม่เหมือนกันบางคนก็เก่งด้านคอมพิวเตอร์บางคนเก่งเรื่องถ่ายรูปบางคนเก่งเรื่องขับรถบางคนเก่งเรื่องช่างบางคนเก่งเรื่องเป็นหมอบางคนเก่งเรื่องวาดภาพแล้วก็อื่นอื่นอีกบ้าก แต่เราจะสามารถใช้ความเก่งนั้นได้อย่างไรให้ถูกที่ถูกเวลาถ้าถูกที่ก็เป็นฮีโร่เป็นวีรบุรุษวีรสตีแต่ถ้าผิดที่ใช้พ่าเพื่อนอกจากตัวเองจะดูไม่ดีแล้วยังลดเกียรติลดคุณค่าตัวเองลงมาด้วยก็มีอีกหลายท่าที่ไม่เก่งแต่ชอบแสดงฝั่งนิทานเรื่องนี้แล้วก็น่าจะได้แง่คิดสมเร็จโต ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านตัดสินคดีความตีพ้าตีกันตีกันแล้วหัวแตกพัดที่หัวแตกก็บกฟ้องขอควาเป็นธรรมให้ตัดสินให้ด้วยเพื่อให้ลงโทษอีกว่ายหนึ่งสมเด็จโตเห็นา้ารูปนี้หัวแตกถูกตีมาถ้าก็บอกว่าท่า น, นไปตีตีเขาก่อน แล้วพูดย้ำอยู่นั่นเนี่ะพาพารูปนี้ก็บอกว่าผมไม่ตีเขาก่อนได้ยังไงท่านเห็นหรือสมเด็จโตเขบอกท่านท่านอย่ามาเถียงฉันฉันรู้ก็แล้วกันแหละพาลูปที่โกรธสมเด็จโตมากจึงเดินทางไปหาสมเด็จวรรณรัตน์ที่วัดอรุณแล้วก็เล่าให้ฟังสมเด็จพระวรรณรัตน์จึงเรียก สมเด็จโตและพระที่ถูกตีหัวและพระที่ฝ่ายตีมามาตัดสินคดีความกันสมเด็จบาราัตก็ถามสมเด็จโตว่าถ้าตัดสินว่าพระรูปนี้ไปตีรูปนุ้นก่อนจริงหรือสมเด็จโตบอกจริงเพราะในอดีตชาติเนี่ยพระรูปนี้ไปตีไปไ ป, ไปตีเขาก่อนมาชาติดีโดนตีคืน แล้วท่านก็พูดธรรมะเกี่ยวกับโหสิกรรมจนทั้งสองท่านเนี้ยอมฟามขอเข้ามาโทษซึ่งกันและกันเพื่อไม่ให้เป็นเวร เ, เ, เ, เ, เ, เ, เป็นกรรมต่อกันอันนี้เป็นอุบายสอนธรรมแต่คนอื่นทำไม่ได้นะเพราะว่าอาดีตชาติเนี่ยบางคนไม่มียาอย่างรู้ไปพูดดั่ ง, งานปุ๊บเสียเลยแต่สมเด็จพระจารทร์โตถ้าทำได้หรือถ้ามีบารมีอยู่จึงตัดสินแบบนี้ได้ก็ทาให้ปีหลายคดีพระสมัสมยโน้นมีพระ ีเกี่ยวสบเป็นโตมากมายเลยจะมีเรื่องเล่ามากท่านก็เคลียร์ได้ทุกเรื่องทาให้ในวัดท่านกเกิดความผาสุขอย่างเมื่อวานอามาก็โพสธรรมะขอจะเป็นศาลอยู่โพสหนึ่งว่าเราเลือกได้ว่าจะจะถูกสุขหรือทุกข์ถ้าเกิดเราต้องการให้วันแต่ละวันของเรามีความสุขไม่มีทุกข์ เราก็ต้อใช้สติแนะนําหน้าเวลามีอารมณ์กระทบเรามีคนมาว่าเรามีคนมาดินท้าเราคือไม่ให้อารมณ์เข้าไปในความคิดปรุงแต่งอันนั้นระวันคืนของเราแต่ละวันก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราเลือกเลือกเลือกที่จะทุกข์หรือเลือกวันร้ายเราก็ปล่อยไปตามยาถากรรมไม่ต้องใช้สติอะไรปล่อยให้กรรมเว ล, ลากไป อนนี้อจาจารย์ภาษาบอกเลือกได้ว่าเราจะเลือกวันศุกร์หรือวันทุกเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่สําคัญว่าเราจะวางใจกับสิ่งนั้นอย่างไรถ้าเราวางใจผิดเราก็ทุกทั้งวันแหละเดี๋ยวคนนู้นก็ว่าเราเดี๋ยวคนนี้ก็ขัดใจเราเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็สัตว์รบกวนอะไรแต่และอย่างไม่ได้ตังใจรหรอกมีเรื่องขัดใจกันแหละมาทําวัด ถ้าคนตั้งใจเป็นมาทําก็มีความสุขนะครึ่งชั่วโมงไม่นานหรอกแลว้วมาฟังธรรมปีกครึ่งชั่วโมงก็ไม่นานได้บุญได้กุศลแต่ละคนไม่ตั้งใจมามาทําวัดมาฟังธรรมเนี่ยลงระลอกงชั่วโมงหนึ่งเั้นอยู่ที่การวางจิตเหมือนกันนะว่าจิตที่มาเนี่ยเป็นจิตกุศลหรือจิตอกุศลอันนี้เราต้องเรียนรู้เหมือนกันถ้าเราทํางานทําด้วยจิตที่เป็นกุศลเราทําก็มีความสุขทำํำไม่หวังอะไร แต่ถ้าทางานหวังผลตอบแทนไปจิตอกุศลทำไปก็ไม่มีความสุขเท่าไหร่จิตอาสาจึงมีความสุขกว่าทำงานได้มากกว่าอย่างบางคนทำงานก็หวังเงินเดือนออกคือหวังผลตอบแทนการทำแต่ละครั้งก็นึกถึงแต่ว่าเงินเดือนจะออกบางทีก็ทำงานก็เลิกก่อนเวลาการงานก็ไม่เคยคุ้มค่ามีหลายคนคิดแบบนี้ตัวเองก็ไม่น่าภาคภูมิใจ แต่ถ้าเราเป็นคนที่รักงานทํางานด้วยใจเนี่ยเกินเวลาก็ไม่เป็นไรทําแถมให้ด้วยเราก็ไม่คิดถึงเรื่องเงินเดือนที่จะออกไม่คิดถึงผลตอบแทนขนาดที่ทำไปก็มีความสุขสามารถเจริญสติก็ได้ด้วยจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมก็คือการลดความเห็นแก่ตัวถ้าใครลดละความเห็นแก่ตัวมากคนนั้นก็ปฏิบัติธรรมได้ผล แต่ถ้าใครเห็นกับตัวมากคนนั้นจะเพิ่มกิเลสทําไปก็อยากได้อํานาจอยากเป็นใหญ่บางคนอาจจะไม่อยากได้เงินแต่ก็อยากได้อานาจบางคนอยากได้อานาจด้วยอยากได้เงินด้วยแางคนอยากได้ชื่อเสียงเพราะเป้าหมายตั้งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าวางเป้าผิดชีวิตก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าคนเราอยู่ใต้กฎตายักแล้วก็โลกธรรมทั้งแปดมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมียินทาไม่มีใครสามารถครองอํานาจได้ ทุกคนต้องป่วยต้องตายต้องเจ็บอยู่ตกกายกรงความไปเที่ยงเพราะว่าแต่ละคนก็ป่วยตายที่เราเห็นก็หลายคนแล้วและทรัพย์สมบัติก็เป็นของคนอื่นไปเราไม่สามารถนําอะไรออกจากโลกได้เลยอันนี้คือความจริงของชีวิตต่อให้มีรากสักการะเยอะแค่ไหนเดี๋ยวก็เป็นของคนอื่นยำนาจก็รักษาไม่ได้สิ่งทําได้ก็คือแบ่งปันความดีให้กันและกัน อย่างอาตมาก็มีโ น, โโนโยบายนะว่ากระจายความสามารถให้พระในวัดได้แบบแสดงความสามารถได้พัฒนาตัวเองแต่เราคองไมค์คนเดียวคนอื่นก็จะไม่ได้แสดงความสามารถเลยบางครั้งอาตมาช่วงเนี้ยอาจจะให้หลวงพี่หนุ่มหลวงพี่โก้ได้แสดงได้นํารรมวัดมั่งบางคนอาตมาก็จะให้ได้ลองโอกาสได้เทศมั่งเพื่อจะได้ฝึกฝนตนเองอย่างหลวงปู่ชาเนี่ยท่านจะมีวิธีฝึกพระคือท่านให้ หลวงพ่อสุเบโธเนี่ยขึ้นรรมะเทพโดยที่หลวงพ่อสุเบโธไม่ได้เตรียมเรื่องเลยหลวงพ่อสุเบโธก็พูดไปเรื่อยๆแหละตามที่ท่านรู้อะ่ะเพราะฝรั่งพูดไทยก็ไม่ค่อยชัดอยู่แล้วพูดไปชั่วโมงก็สรุปแล้วขอลงหลวงพ่อชาก็ให้พูดต่ อ, อท่านก็พูดไปเรื่อยจนแบบคนฟังก็เริ่มหนีไปเทียรคนสองคนจนสาราเนี่ยเริ่มเตียนโลงท่านก็พูดไปอีกอะ่ะถึงชั่วโมงท่านก็จะขอลง หลวงพ่อชาก็ให้พูดต่อยตอนนี้พระที่ฟังก็หลับหลับกันหมดอะเพราฟังไม่ดูเรื่องโยมก็เริ่มหนีโยมก็หลับบ้างหนีกลับบ้างถ้าก็เราจําจําใจเทศไปเทศจะจบอ่ะมาตอนหลังหลวงพ่อสเมเดโตจึงรู้ว่าหลวงปู่ชาเนี่ยใช้อุบายตอนหลังท่านไปเทศที่ไหนก็สบายเลยท่านไม่สนใจคนฟังหรอกคนฟังจะฟังท่านเทศหรือไม่เทศคือท่านผ่าเหตุการณ์วิกฤตมาแล้วมันไม่มีอะไรยิ่งกว่านั้นอีกแล้ว คือถ้านักเทศบูรณากรก็จะกลัวญาติโยมจะฟังหรือไม่อะไเงี้ยแครคือคือแครไงไม่ฟังก็หมดกําลังใจเทศแต่พวกเขาเก่าเนี่ยมีสองคนก็เทศเทศจริงจกทุกแกฟังก็เทศคืออย่างนมาผู้โยมฟังนมาเน้นสอนตัวเองบางเรื่องที่เรานํามาเนี่ยเป็นแง่คิดแต่โยมฟังก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะบางบางมุมอาจจะไปโดนโดนอัตราเราเนี้ยทาให้เราเห็นวเฮ้ยเป็นอย่างนี้นะเราเราต้องแก้ไขนะได้ประโยชน์ทั้งคนประโยชน์ท่าน แต่าจารยมาใน Facebook ที่โพสต์ธรรมะในส่วนมาิสอนตัวเองมากกว่าไม่ได้คิดสอนใครหรอกอย่างภาพใหม่ถ้ามาพูดธรรมะอารมามาถามเราบอสตองบอกแต่ถ้าไม่ถามเราก็เราก็ไม่บอกหรอกเพราะถือไป่ใช่ทุระบางทีถ้าเขาสงสัยมาถามถามคำามก็บอกเรื่องที่เขาถามมาแหละเพราะบางทีเราพวกร้องวิชาเขาอยากสอนคนนะ่ะมาๆไปลูกศิษย์มาอยากสอนอะไรทุกอย่างนะอันว่าเคยเจอไปวัดสนามนายอยู่คร้างหนึ่งมีหลวงตายุบหนึ่งกำลังร้อวิชามากเลยอยากสอนธรรมะใครมาก็วางอุบายไว้ ให้ของให้อะไรให้นใครป่วยก็ให้ยาเนี่ยแล้วเขามาบอกว่าแล้วก็จะมาสอนเรื่องการทําจิตให้บริสุทธิ์ในโอ ah ok วาปริโมกเลยบอกรู้จักไหมโอวาปริโมกเนี่ยทําดีละ ช, ชั่วทําจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยเห็นใครอยากสอนหมดและแตแ่แกลืมไปว่าตอนนั้นกำลังหลงเห็นใครก็มาม า, มาเป็นมาเป็นลูกศิษย์อันมาเคยโดนเนี่ยพระที่กาลังร้อวิชาเนี่ยไปสอนธรรมะมาครึ่งวันนะเดินขึ้นเขาสมัยก่อนมาอยู่บอร์สิบสอง่ย ตอนนั้นแกบอกกรได้กาลังด่าลกบถานเลยะกําลังคิดจะโปรดคนรูกคนนี้การปฏิบัติรรมหรือฝึกสติแบบสายหรือว่าเทียนเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่ว่าเกิดวิปัสสนูเกิดปิติตรแล้วเจอความคิดจะหลอกให้ไปอาจารย์แต่ถ้าเจออารมณ์โกรธแรงก็ไปไม่กันแหละเจออารมณ์โกรธอารมณ์กลัวมันไม่ใช่อ่ะบางทอสักวันมันก็เสื่อมเพราะว่าพออารมณ์อารมณ์พวกนี้หายปุ๊บก็เสื่อมก็กลายเป็นคนธรรมดาแต่ที่ความคิดกิเลสมันหลอกว่า เราเราเราไปอวดตัวเนผู้รู้แล้วเป็นพรพริยาบุคคลแล้วลงไม่ได้อันนี้ซวยไปตลอดชีวิตคุณก็เป็นอริยาปลอมตลอดอะไม่ใช่พรริยาจริงไปหลอกโยมด้วยหลอกตัวเองด้วยหลอกคนอื่นนับถือเราว่าเป็นพรริยาแต่ข้างในเราไม่ใช่เจอลมกระทบกระแทกก็โกรธเจอลาสักะกะละก็โลภเจอชื่อเสียงเราก็อยากได้เจออำนาจเราก็อยากมีอยากเป็นอยากได้อำนาจ มันไม่ใช่อะพาธยะบุคคลที่ไหนอยากได้อำนาจท่าก็จะใช้ชี้อีกแบบหนึ่งถ้าก็จะมีเมตตากับทุกคนด้วยฝวาเมตตาจริงๆไม่หวังอะไรตอบแทนมีจิตที่คจะให้ไม่คิดจะเอาจิตที่บริสุทธิ์ไม่เห็นแก่ตัวส่วนมากาธยะแท้ก็ไม่ค่อยสอนคนเท่าไหร่หรอกส่วนมากก็ปีวิเวกหลีกเล่นนอยากคนไปหาท่านแล้วก็ชี้แนะให้ท่านจะไม่เปิดตัวหรอกมีน้อยส่วนมากที่เปิดตัวพาธิยะเกอเท่านั้นแหละในประเทศไทยอ่ะมีจริงเหมือนกันนะแต่น้อยนะไม่เยอะหรอกส่วนมากเกอซะส่วนใหญ่ แต่ก็มีประโยชน์นะเพราะหมอป่วยก็รักษาคนป่วยได้เพราะว่าถ้าสอนถูกนะสายพุทธกาลกพ็พระบุริละเนี่ยพรไปลายรานเปล่าเนี่ยก็สอนความรู้ทํามเยอะแยะนะบนรรลุเป็นพระอราหาันต์แตตัวอาจารย์ยังเป็นปุถุชนอยู่เลยคือท่านสอนถูกอะ่ะแต่ตัวท่านน่ะไม่ใช่ดงนั้นพวกญาติโยมหรือหรือพระคุณเจ้าถ้าเจออาจารย์ปลอมก็อย่าวิตกนะเพราะว่าท่านสอนถูกก็สอนเราไปรู้ทําได้สอนเราหลุดพ้นได้แต่ตัวท่านก็ป่วยก็ไม่เป็นไร หมอป่วยรักษาคนให้หายได้ถ้าคําสอนถูกต้องนั่นคาสอนทุกคําสอนจริงดีหมดอ่ะของปาฏิบัณฑิตสุภาษิตต่างๆถึงผู้พูดไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรรับไปก่อนอันไหนไม่ดีก็ทิ้งไว้เราก็รักการเรียนรูุ้งวจุดรู้หมายในการไปฏิบัติทรรมคือการไม่เห็นแก่ตัวลดละอัตตาลดตัวกูของกูอันนี้ถ้าเราทําได้จิตใจเราก็จะเปิดกว้างขึ้นน้อมรับขันติเตียนไม่แก้ตัวให้กิเลส แต่อาจารย์คนไหนเวลาคายวิจาร์อะไรก็โยนความช่วยคนอื่นความดีเอาหมดอันนี้ไม่ใช่นะฮะเพราะกิเลสมันจะมันจะมีอาตาัอาตราอัตราที่จะทาให้ตัวเองดูดีคนอื่นผิดเราถูกอะไรเงี้ยไม่ใช่หมดละเราเช็คได้ฮนะคอาอัตรามากคาอัตราน้อยอาจารย์นี้สอนผิดอาจารย์นี้สอนถูกเราให้ดูชีวิตการเป็นอยู่ถ้าอยู่แบบรวยหรูอันนี้ไม่ใช่ใช้ชีวิตไฮโซเลยไม่ใช่เดินนอกวิถีทาง พระทีเจ้าสอนให้ลดละเลิกใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอันนี้เราต้องเช็คดูด้วยนะครับบางทีคนสอนพูดอีกอย่างแต่ทำอีกอย่างเพราะว่าเราสอนผู้อื่นได้เราสอนตัวเองไม่ได้ก็มากนะอาจารย์อาจารย์ปลอมเยอะครับอันมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรแก่เวลา